เพราะอะไรเพราะท่านมีสันโดษในเครื่องนุ่งหม่มสันโดษในที่อยู่สันโดษในอาหารก็ประพฤติตามอริยวงหมดแล้วแล้วสุดท้ายท่านก็เป็นผู้ที่ยินดีในภาวนามันไม่นานนักก็บรร ล, ลุสมาบัติ8อภินญาห้าพย า, ายใน7วันอันนี้สําหรับผู้ที่ตั้งความเพียรในการอบรมสมถะและวิปัสสนาท่านไม่ต้องไปศึกษาไปร่าไปเรียนที่ไหนไมาอีกแล้วเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยท่านเรียนจบมาตั้งแต่เป็นคารวาสหมดแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะออกบวชอยู่แล้ว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 ออกจากทุติยะฌานเข้าตัติยะฌานออกจากตัติยะฌานเข้าจตุติฌานออกจากรูปฌานเข้าอากาสารัญจา ย, ยตนะเข้าวิญญาณัญจา ย, ยตนะอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็เข้าสลับ เ, เข้าลงอีกันนะสมา บ, บัติที่8 7 6เจ็ดหกบางทีก็เข้าสลับ1 3 5 7 8หรือว่า865432อะไรเี้ก็ขึ้นสลับสลับยังไงก็ได้จนชำนาญแล้วบางทีสลับฌานบางทีก็สลับกสิน นะอันนี้เรียกว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าสลับชาญอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเข้าสลับกรสินคือการเข้าเนี่ยนะคือการเข้าชาญเนี่ยมันมีแบบเข้าเข้าสลับชาญ น, น่ยนะคือเข้าสลับเช่นหนึ่งสามหห้าเป็นต้นเนี่ยหนะึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็ไปเข้าแปดแปดหก สีสองแล้วก็สลับขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นในเรียกว่าสลับตัวชานอย่างที่1อย่างที่สองสลับกสินเนี่ยนะสลับกสินก็คือสลับจากปฐวีเป็นอาโปจากอาโปเป็นเตโชจากเตโชเป็นวายโยจากวายโยเป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เข้าสลับสีเนี่ยนะเข้าสลับสีก็เข้าสลับชานเข้าสลับชานเข้าสลับสีเนี่ยนะท่นต้องเป็นคนที่ชํนานาญทางใจอย่างมากเลยนะผู้ที่ชํนานาญทางใจอย่างสูงจึงกระทําได้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 อันนี้แหละเป็นกําลังอันหนึ่งที่กล่าวอ้างไว้ต่อสู้กับพยามานว่าพระองค์เนี่ยได้ให้ทานเพื่ออะไรนะโพทิบันลังตรงนี้แหละก็อาศัยทานที่ได้บริจาคไปที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละเป็นกล่าวอ้างอันเมื่อพระองค์เนี่ยนะบำเพ็ญมหาทานบริจาคบุตรภรยาศั ส, ะสะดกมหาฐานเป็นต้นสิ้นสุดพระชนมายุก็บังเกิดในสวรรค์ชัน้นดุสิตดํารงอยู่ในสวรรค์ชัน้นดุสิตจนตลอดพระชนมายุเท่าไหร่ ห้าล้านห้าอสิบล้านปีในพอครบอายุไขของเทวดาชั้นดุสิตแล้วเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันกล่าวว่ากาโลยังเตมหาวีระอุปจชมาตุกุชยังสเทวกังตาริยนโตพุชธสุอมตังประทังแปลว่าข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เป็นคำของเทวดาในหมื่นจักรวาลพร้อมกันมาที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อ ราธนาว่ามหาวีระข้าแต่พระองค์พวกเกล้ากล้าคือองค์อาจกล้าหารจริงๆนะถ้าไม่กล้าขนาดนี้จะสร้างบารมีได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่าบารมีที่ทำเนี่ยเป็นการงานของคนกล้าจริงๆบัดนี้เป็นกาละอันสมควรสําหรับพระองค์ปโปรดเสด็จอุบัติในพระคั์ของพระมารดาเถิดพระองค์เมื่อทรงอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามข้ามอะไรข้ามโอขะหรือข้ามสงสาร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 แล้วพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกนะหประการซึ่งเราเคยกล่าวมาแล้วในหน้า1 4 4้เนี่ยนะหลังจากพิจารณาดูมหาวิโลกนะเสร็จแล้วก็จุติจากดุสิตสวรรค์ถือปฏิสนธิในพระคันในดาวนักสัตร์เดือนอาสาลหะหลังเดือนอาสาลหะแปลว่าพระองค์เกิดในพระคันของพระพุทธมารดาวันเพ็ญเดือน8เนี่ยนะวันเพ็ญเดือน8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 คนใบ้แต่กําเนิดก็มีสติระลึกได้นะก็หลงลืมอะไรมาก็นึกออกอะไรบ้างกับตอนนั้นแหละคนขาพิการก็ใช้เท้าเดินได้นะก็โผลกกระเพลคมาเต็มทีเป็นโปลิโอก็จะจ ะ, จะเดินได้ในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เป็นต่อเ น, นี่ยนะเรือก็เดินไปต่างประเทศแล้วก็กลับท่าเรือสุ ป, ปั ต, ตนะได้อย่างรวดเร็วรัตนะทุกอย่างทั้งที่อยู่ในอากาศทั้งที่อยู่ที่ภาคพื้นดินก็เรืองแสงได้เองไปรอ บ, รอบ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 ทั้งน้ำก็มีรสจืดอร่อยด้วยเนี่ยนะ้ว่าน้ำทะเลจืดเลยตอนนั้นลมที่พัดแรงหรือร้ายกาจก็ไม่พัดต้นไม้ทั้งหลายก็ออกดอกบานสพรั่งดวงจันทร์พร้อมทั้งดวงดาวก็จะรัดแสงยิ่งแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนแรงฝูงนกกรราเริงลงจากฟากฟ้าและต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินเบื้องล่างเมฆฝนที่อยู่ในสี่ทวีปก็หลังฝนน้าฝนรสอร่อยไปโดยรอบ เทวดาทั้งหลายอยู่ในภ พ, พทิพย์ของตนมีจิตเลื่อมใสก็พากันฟ้อนรําขับร้องประโคมโห o r o องอนะสรวนเสเรกันอึ้งมีสลวนเซก็สลวนเนี่ยภาษาเขมรแปลว่าสนุกมากเนีสลวนแหะนะแปลว่าสนุกมากว่างั้นตรอ้องอู้มีความสนุกเพลิดเพลินนั่นเองนะไม่รู้ว่าสลวนเลยไม่รู้จะเขียนว่ายัางไงก็เลยเขียนว่าสรวนเขาว่าในในขนัขณะนั้นเนี่ยนะประตูเล็กป ร, ประตูเล็ก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 ที่ไม่ได้นะ้มาเป็นพุทธันดรก็หายไปอดอยากหิวโหยเป็นพุทธันดรเลยนะคนค่อมก็มีกายงามสมส่วนคนใบ้ก็พูดได้เพราะเนี่ย น, นะก็มีตอนนี้แหละนะพิเศษส่วนหมูสัตว์ที่มีจิตเลื่อมใสก็กล่าวปิยะวาจาแก่กันและกันโอ้ทุกคนก็พูดถึงคำด้วยคำที่เป็นที่รักใช้แต่คำที่อีกฝ่ายสบายใจฝูงม้าที่มีใจร่าเริงก็ลําพองร้อง แม่ฝูงช้างใหญ่เมามันก็ทรงเสียงโกลจนาารอบรอบหมื่นโลกกระแทกก็เกลื่อนกลาดไปด้วยจนจันทรหอมกลุ่นอบอวนไปด้วยอบอวนหวนหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้หญ้าฟรั่นและทูบหญ้าฟรั่นไม่รู้หอมอยังไงนะแต่ทูบนี้ก็ทูบมีหลายประเภทนะทูบยอมสุพรรณนี้หรือเปล่าหอมหรนั่นนั่ น, น, นมีมาลัยเป็นทงใหญ่ๆก็งดงาม ผู้นี้เป็นบุพนิมิตเนี่ยวะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่ประสูติสู่ขันนี่จะมีบุพนิมิต32อย่างนี้นะคล้อจากครันก็เป็นอย่างนี้ตอนตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้ตอนสแสดงธรรมจักรก็เป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์เหล่านี้จะมีขึ้นสําหรับพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะเฉพาะชาติสุดท้ายนะยกตัวอย่างว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องหมายหมดเลยเป็นเครื่องหมายบอกอะไรบ้างเช่นอย่างแรกความไหวแห่งแผ่แผงมื่นโลกธาตุเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ พระสัพพัญยุตยานมันหมื่นโลกาธาตุวันไว้ประกาศว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยรอบรู้สิ้นเชิงอย่างที่สองการประชุมเทวดาทั้งหลายในในหมื่นจักรวาลเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลมารวมอยู่ในจักรวาลเดียวเป็นบุพนิมิตแห่งการประชุมพร้อมเพียงการรับธรรมในการละที่โปร่งทรงแสดงพระธรรมจักรเพราะฉะนั้นตอนที่แสดงธรรมจักรเทวดานี่มาหมื่นจักรวาล อย่างที่ 3. การรับของเทวดากอนเป็นบุพนิมิตแห่งการได้รูปราวจรชานสี่คือเทวดารับตอนที่พระองค์ประสูตรจากคันเนี่ยเทวดารับแล้วก็ยื่นให้มนุษย์เนี่ยการที่เทวดารับก่อนเป็นเครื่องหมายว่ารูปราวจรชาน4ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ชาน4ี่ปฐมชาญทุติยะชานตัติยะชาญจตุทัชฌานและพวกมนุษย์รับในภายหลังอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อรูปประชาน4ี่คือ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 ทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นระลอกระลอกมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเสียงกลองแห่งธรรมเสียงกลองประกาศอริยสัจจะธรรมก็ดังมาเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างที่หกการบรรเลงเสียงเพลงได้เองของพินและอาพรเครื่องประดับคือเครื่องประดับเช่นกำไลมือเป็นต้นมันดังก้งแก้งแงได้เองเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการได้อนุบุพภาวิหารสมาบัติเป็น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 ทิพโสตธ า, าตุเนี่ยนะมีหูทิพการเกิดอนุสติของคนใบแต่กาเนิดคือระลึกได้ถึงความหลังครั้งเก่าก่อนได้หมดอันนี้เป็นบุพนิมิตรแห่งสติปทาน4การเดินไปได้ด้วยเท้าของคนพิการอันนี้เป็นบุพนิมิตรแห่งการได้อิทิบาท4การกลับมาสู่ท่าเรือสุปัตนะได้เองของเรือที่ไปต่างประเทศเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสี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 ทิฐิ62ปุพันตะทิฐิ18ปอปรันตะทิฏฐิ44 18บอันนี้ 6, อ่วกส4ก็เป็นฮะ18บวก4ก็เป็น4 2เออบ4ปบเป็น62 น, นปุพันตะทิฐิ18ก็คือพวกอะไรอ่อ น, นสัสตะทิฐิเอกจจสัสตะทิฐิอมราวิเขปะเนี่ยนะ อาทิตจะสมบพนาทิฏฐิอภรนตะทิฏฐิก็เช่นสัญญีวาฒะาสัญญีวัฒเนวสัญญีนาสัญญีวาฒะพวกอุเชททิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เป็นพวกที่ธรรมนิพานพวันนี้ทิฏฐิ62สิบวันการไม่พัดแห่งลมเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้าสา ม, มารถทำลายมิจฉาทิฏฐิ62ออกไปได้ต่อไปความที่ต้นไม้ทั้งหลายออกดอกบาน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 แต่ว่าดวงจันทร์แผดสองแสงเรืองรองงดงามยามค่ําคืนสว่างสวยไม่เคยมีใครเกลียดเลยฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญใจเป็นที่รักใคร่แห่งใจเหมือนกับดวงจันทร์น่ยนะความที่ดวงอาทิตย์สุกใสแต่ไม่ร้อนแรงนะครับสองแสงสว่างจัดมากแต่ว่าไม่ร้อนแรงเป็นบุพนิมิตความเกิดขึ้นแห่งความสุขทางกายและทางจิตใจน่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก